ขพความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายประสุทธ์ในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องยันยสูตริปฐ์คือรที่ว่าด้วยการบูชายันเมื่อพระพุทธมีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันในกรุงสาวัตีพระภิกษุทั้งหลายที่ไปบิณฑบาตไปพบสัตว์เป็นนันมาก ก็ อ, อย่างละ500โค500แพะ500ยแกะ0 0าร้อสรุปแล้วเป็นสัตว์ถึง 2,500 ตัวที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสรียมเอาไว้เพื่อจะทําพิธีมหม้ายันคือฆ่าเพื่อบูชายัน พ, พู้ปิสุเห็นเชนั้นก็เมื่อกลับมาถึงวัดก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงการจัดเตรียมยันใหญ่ของพระเจ้าประเสริฐที่โกศล พระพุทธเจ้ารับสั่งว่ายันนันใดที่มีการจะเสีย ม, มากมีการฆ่าการเบียดเบียนกันมากซึ่งเป็นยันต์ประเภทที่ใช้คำบารีว่าปุริเสเมทะอัสมีทะสมาปาสะวาญเปยยะเดนิรักกะนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่สรนเสริญการบูชาการบูชายันเช่นนั้น แต่วอยันใดที่มีการสะเสียมน้อยไม่มีการฆ่าไม่มีการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายให้เดือดร้อนบันณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสันเสริญการบูชายัน์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาควรจะบูชายัญที่มีการสะเสียมน้อยไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการทําลายล้างสัตว์ทั้งหลายใจความในพระสูตรก็มีเพียงเท่านี้ แต่ว่ามีข้อความที่เกิดสืบเนื่องกันมาหลายเรื่องหลายตอนด้วยกันก็เรียกว่ายาวเยดทีเดียวที่พระาอาจารย์ท่านได้เล่าสืบต่อกันมาก็เริ่มต้นมาจากคราวหนึ่งพระเจ้าเปะเสทีิโกสลท่านเสด็จประพาสเมืองคือเรียกเสด็จเรียบเมืองแล้วในขณะนั้นได้ทอดพระเนตรไปทางหน้าต่างก็พบปัญญาของชายชาวบ้านคนหนึ่ง รูปร่างสวยงามมากก็เกิดต้องพระไทยตั้งแต่นั้นพอพอเห็นปับ๊บมันก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นแล้วคิดแต่เรื่องผู้หญิงคนนั้นตลอดไม่มีกระจิกกระจายที่จะเลียพระนครเมื่อกลับเข้าไปในวังก็คิดวางแผนที่จะได้สตรีนั้นมาไว้ภายในวังเมื่อคิดแผนได้ก็รับสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปจับชายสามีมาคือไปสืบก่อน สือเป็นลูกเต้าหลอใครมีสามีแล้วหรื อ, อยังมารู้ว่ามีสามีก็ก็วางแผนให้จับสามีมาบอกให้ทำงานภายในวังโดยพระทัยก็คิดว่าจะจับผิดแล้วก็หาโอกาสฆ่าเสเพื่อจะได้รีบเอาพันยามเอาไว้ภายในวังชายคนนั้นก็อ้อนวอนด้วยประการต่างๆว่า ตเนเองก็ทำงานเสียภาษีให้แก่รัฐอยู่แล้วก็ขอทำงานข้างนอกแต่พระเจ้าปเนสนิโกศลก็ไม่ยอมแกก็รู้ว่าถูกจับเพราะอะไรก็คิดว่าความพินาศในชีวิตของเราก็เกิดขึ้นเพราะมีพัญญางามคราวนี้นะ่ก็พยายามปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆไม่ผิดอะไรเลยพระเจ้าปเสนิโกสลจ้องอยู่หลายวันทาอะไรไม่ได้ ไอ้ใจก็กระสานรัญจวนคิดถึงสตรีคนนั้นเป็นนั้นมากเลยก็วางแผนใหม่ทรงชายสามีให้ไปหาดอกบัวกับดินสีอรุณซึ่งระยะทางไกลจากเมืองพารันเมืองสาบถีมากคือตามปกติแล้วมันก็ต้องไปกันไม่ทันชายคนนี้ก็รีบไปแล้วก็ปัญญาก็หุงอาหารให้ อาหารยังไม่ทันสุกแล้แกก็รีบเอาใส่ที่เก็บสเสบียงไปเลยไปถึงก็แวะรับประทานอาหารในที่หนึ่งแล้วก็เอาอาหารที่เหลือนั้นก็ให้ไปสัตว์แกนกแกปลาแกสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ขออํานาจบุญกุศลของแกที่ไม่เคยมีทุจริตคิดร้ายอะไรกับใครและการที่เสียสละแบ่งอาหารให้แกสัตว์ในคราวนี้ก็ให้แกสามารถนําดอกบัว ก, กะดินงสีอรุ่ณมาให้ได้ ในที่สุดแกก็นํามาได้แต่พระเจ้าประสเส้นที่โกศลนั้นก็กลัวว่ามันไม่แน่หรอกผู้ชายคนนี้บางทีมันไปได้คนช่วยหรือว่าเทวดาไปช่วยเหลือเข้าก็นําดินเสียรุนมาได้แกก็ช่วยอีกเลยรับสั่งให้ปิดประตูพระนครซะก่อนก่อนเวลาปิดปกติชายคนนั้นเมื่อมาถึงก็เข้าเมืองไม่ได้ทั้งๆที่ว่าไม่ใช่เวลาที่เขา ป, ปิดประตูเมืองกัน ยังไม่รู้จะทำยังไงก็ดอกบัวโยนขึ้นไปไว้บนกําแพงและประกาศให้ทราบให้คนที่เดินไปมาทราบว่าที่ประราชาสั่งให้แกไปเอาดอกบัวนั้นแกก็ได้นะแต่ประราชาปิดประตูเสียก่อนแกไม่สามารถจะถวายดอกบัวได้ทีนี้โยนดอกบัวไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอก็คิดว่าจะต้องหนีไปหาที่ปลอดภัยสักแห่งก็ไม่รู้จะไปไหนก็นึกถึงวัดพระเจดวัน วันที่นั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต้องหนีเข้าวัดพระเชตตะวันแล้วก็ไปแอบอยู่ที่วัดพระเชตตะวันพระเจ้าปเสนที่โกศลสก็คิดว่าสำเร็จแต่ทีเนี้ยไอตอนกลางคืนนั่นเองนอนกระสับกระส่ายบรรทมก็ไม่หลับและในที่สุดตอนที่เคริมหลับไปนะก็ได้ยินเสียงดังในลักษณะที่โวยหัวนแต่ก็ดังเป็นคำคำ วัตุคำหนึง่งสะคำหนึง่งนาะคำหนึง่งแล้วก็โศคำหนึง่งแล้วก็หายไปโรงก็เกิดสงสัยตกใจว่าเสียงคล้ายๆจะมาไกลถ้าเกินในอ น, นไม่หลับทั้งคืนรุ่งเช้าก็เชิญให้พวกโขนทั้งหลายมาทํานายว่าอะไรที่ฝันอย่างเงี้ยหมายความว่าอย่างไงพวกโขนก็เรียกว่ามืดตื้อเหมือนกันก็มองอะไรไม่ออกแต่ว่าถ้าไม่ทํานายมันก็เสียเชิงโขนก็เลยก็ทํานาย คำนายมันก็สร้างเรื่องให้ตื่นเต้นยังไงก็โกหกทั้งทีมันก็ต้องได้ประโยชน์ว่ารุมควรแกก็บอกว่านี่เว้ยมันเป็นอันตรายใหญ่โตแล้วกันเป็นอันตรายแก่ชีวิตของพระองค์พระมเหสีราชสมบัติแหวนแคว้นจําเป็นที่จะต้องแก้ไขโดยการบําเพ็ญมายันขนาดใหญ่มายันขนาดใหญ่นี่ก็กําหนดไว้คือค่าสัตว์อย่างละ5ตัวห้ามใจห้0ร้อยพระเจ้าประเนโโสนโกศลก็กลัว แล้วนที่สูตก็รับสั่งให้จับสัตว์ต่างๆมาตามที่พรามเขาบอกอ็เตรียมใบจะข่าพิสูตรก็ไปเห็นก็ในตรงนั้นแต่ว่าเรื่องที่อัตกราเล่านั้นยังเล่าต่อไปว่าบรรด า, าสัตว์ทั้งหลายก็ร้องเสียงกระดังลั่นแล้วก็คนซึ่งถูกจับมาด้วยก็ร้องร้องไห้กันพระนางมาริกาเทวีซึ่งเป็นวัยสีของพระเจ้าเปรสิญิโกศุได้ยินข้าว แล้วก็สืบทราบมาว่าเป็นสัตว์และคนที่พระเจ้าประเสนิโกศกลจับมาเพื่อจะฆ่าบูชาหยันก็สเสด็จไปเฝ้ากระกราบทูลถามว่าทำไมจึงมีการฆ่าสัตว์กันใหญ่โตอย่างนั้นพระเจ้าประเสนิโกศลนั้นก็ไม่มีสติสมบริดีแล้วบอกว่าเธอที่ไม่รู้อะไรนะอันตรายมันจะมางกล้เข้ามานะจะเป็นอันตรายแก่ฉันแกราจะสมบัติแก่เธอแก่แว่นแคว้นของเรา ปรุหิตโปรแกรมทั้งหลายก็แนะนําให้กษัตริย์บูชายญาณเพื่อป้องกันอันตรายเหล่านั้นพระนางวลิกาท่านก็ตาหนิแรงบอกพระองค์ในสวยมากพอเปล่าคิดมากพอเปล่าแต่ว่าสติปัญญานั้นไม่ได้ใช่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในที่ใกล้นี่เองแทนที่จะถามพระพุทธเจ้าท่านกลับไปถามพวกปรุหิตพวกโขนซึ่งโง่เ ง, ง่าไม่รู้เหตุผลอะไร แล้วในที่สุด ก, ก็นำพระเจ้าประเสนิโกศลไปฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระเจ้าปเสนิโกศลก็กราบทูลถึงสุบินนิมิตให้ฟังพอเกิดสุบินนิมิตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่เชิงสุบินนะคือพอเคลิ้มหลับก็ไม่ถึงกับหลับพอเคลิมไปก็ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าไอ้ น, นี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับาบาปผิดหรอกมันกนละเรื่องกัน เป็นเสียงของสัตว์นรกสัตว์นรกซึ่งเสวยทุกข์อยู่ในโลหะกุมพีนรกและแกต้องการจะกล่าวแสดงความรู้สึกภายในจิตใจของแกสตัวสี่ตนแต่ก็กล่าวไม่ทันกล่าวได้คุลัคาำตอนนั้นเองแล้วก็หมุนกลับไปสู่นรกอีกเพราะงั้นอันตรายอะไรจึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระองค์เลย พระเจ้าเปรสเซนที่โกศลก็ขอให้พระพุทธเจ้าเล่าถึงเรื่องของสัตว์นรกแต่ว่าเราเวลาเรามาเรียกทีหลังเราเรียกว่าเปรตที่จริงมันก็เป็นสัตว์นรกที่เราเรียกคาถาหัวใจเปรตทุสะนัโสพระพุทธเจ้าก็เล่าถึงว่าสัตว์นรกทั้งสี่ตนนี้ในอดีตการนานมาแล้วเป็นลูกของเศรษฐีที่มีฐานะร่ำรวยหมดทั้งทั้ง4ี่คน ต่อมาเมื่อพ่อแม่ตายลงไปก็ได้รับมรดกทรัพย์สมบัติเป็นนันมากแล้วก็คิดกันว่าจะใช้จ่ายเงินยังไงเงินมันมากเลยเกินนะต้องสี่คนก็วางแผนกันว่าจะทำอย่างนั้นจะทาอย่างนี้จะทาอย่างโน้นก็ในที่สุดมันมาสรุปลงว่าเอาเงินไปรอบผู้หญิงคือจะเป็นลูกขเขามีใครไม่สาคัญแล้วเอาเงินไปจ้างมาแล้วให้บารงบาเลอตนก็กระทผิด สีลข้อที่สมกันมานานเป็นเวลานานพอตายไปก็ตกนรกตกนรกก็ถูกไอ้ความร้อนในนรกแผดเผาอยู่มากเมื่อเกิดความสานึกเกิดความสานึกก็อพอโผล่มาก็เห็นหน้ากันก็ต้องการจะกล่าวระรบไปถึงบาปกรรมความชั่วต่างๆที่แต่ละตนได้กระทำไว้ในชาติที่เป็นมนุษย์แต่ก็กล่าวไม่ทัน พระพุทเจ้าก็รับสั่งเสริมให้เต็มหมดทุกบาทรคาถาว่าพวกนี้ต้องการจะกล่าวหรือขอความอะไรเตทุนี่<ๆ>ก็แปลเป็นไทยว่าพวกชีวิตทั้งหลายของเราเนี่ยเร็วสา ม, มากในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่พวกเราได้ประกอบกระทำบาป บ, บาปกรรมไว้มากลักเกินไอตัวที่สองก็ที่บอกกษัตรนั้นบ่าพวกเราต้องหมกม่าอยู่ในที่นี้นานนักเกิน เพราะบาปบาปกรรมที่ที่ได้กระทำไว้ในอดีตนั่นเองไอ้ตัวที่สามที่บอกว่านะนั้นคือถามขึ้นมาว่าเมื่อไรไม่จะจบสิ้นกันสักทีในทุกทรมานล่ะเนี่ยเพราะว่ามันเดือดร้อนสาหัสได้กแกนไอ้คนต่อไปบอกว่ามันที่สุดมันไม่มีหรอกไม่ใช่แกก็บอกว่าที่สุดมันไม่มีหรอก ที่สุดจะมีมาแต่ไหนเพราะว่าบาปกรรมที่เราทำคราวนั้นมากนักไอคนที่สีก็บอกว่าถ้าเราตายคือเราหลุดพ้นจากนรกไปที่ใช้คำว่าโสหังหนูนะอีตัวกันตวาคือถ้าพวกเรานี่รอดพ้นจากนรกไปได้ต่อไปเนี่ยจะพยายามทำบุญให้มากนะจะพยายามทาบุญให้มากเพื่อจะไม่ต้องประสบความทุกข์ในโลกอย่างนี้อีก ก็ที่จริงมันก็ข้าวล็อกนะฮะคือข้าวเรื่องของพระเจ้าประเซนที่โกศลพอดีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆกับเป็นแรงบุญของพระเจ้าประเซนที่โกศลที่สนับสนุนให้ได้รินยินเรื่องเหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องนี้ข้าพอดีพระเจ้าประเซนที่โกศลก็บอกว่าโอ้โไอ้โคนมันตก น, นรกเพราะไอ้ศีลกาเมเนี่มันเดือดร้อนทรมานเหลือเกินไม่ต้องกล่าวอะไรหรอกแม้แต่ข้าพระองค์ ก็มีจิตคิดถึงพัญญาคนอื่นถูกไฟราคาแผดเผานอนไม่หลับมาตั้งหลายคืนชายสามีถึงไปแอบนอนที่วัดนั้นก็ก็นั่งฟังอยู่ด้วยเฮ้ก็บอกว่าพระองค์นั้นเพิ่งรู้ว่าราตรีหนึ่งที่เพิ่นผ่านไปนานเมื่อคืนนแต่ข้าพระองค์ในรู้ว่าหนทางมันนานนะเกินหนทางมันไกลเหลือเกินที่ไปเอาดอกบัวมากับไอ้ดินเสียรุน่นแล้วในที่สุด พระเจ้าปอร์เซนที่โกศลก็ก็เลิกนะฮะเลิกเพราะกลัวภัยในนรกคือคือจากเรื่องของบุรุษทั้งสี่ประกาศทั้งทั้งสี่คนนั้นที่ตกต ร, รกเพราะศีลผิดศีลข้อที่ที่สามสามีปัญญาก็กลับคืนไปไอพวกสัตว์ที่ถูกจับไปขังเอาไ อ, อจับไปไว้เพื่อจะ บ, บูชายันก็ถูกปล่อยไปเลือกกมายุติลงโดยสวัสดีนี่ก็เป็นข้อความที่ <c oughs> พระรัตคถาอาจารย์ท่านเ <c oughs> ล่าเพิ่มเติมขึ้นมาในตอนหลังมระยะตอนหลังแล้วคือว่าเรื่องคือเรื่องที่ท่านยกขึ้นสู่พระบา ล, ลีเทโรเรียกว่าสังคายนาเนี่ยมันยกขึ้นมาเฉพาะตัวบทธรรมะไม่ได้เอาเรื่องประกอบเข้ามาด้วยเพราะเรื่องประกอบเป็นเรื่องเรื่องที่เล่าไว้ถ้าจยกขึ้นสู่สังขยนาจริงๆมันทําปีเดียวไม่เสร็จหรอกเรื่องมันเยอะขึ้นแต่ก็เพียงแต่เล่ากันไว้ แล้วกันว่าก็จําทรงกันไปเพราะเรื่องเล่านี่มันง่ายมันเล่าเที่ยวเดียวก็จําได้แล้วนั่นพี่ก็ข้อธรรมซึ่งจะต้องท่องจะต้องสาธยายเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดวิปราชคลาเคลื่อนขึ้นประเด็นที่เราน่าศึกษาก็มีอยู่ที่จริงก็หลายหลายประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเรื่องยันยันทั้ง5้าประการเนี่ยยันทั้ง5ประการนี้ไม่ใช่ในพระสูตรนี่ในพระสูตรอื่นพระพุทธเจ้าเคยเล่าย้อนหลังไปว่า แท้จริงเดิมทีเดียวคือนานมากแล้วก่อนก่อนปฐมวงของพระองค์อกีกก่อนพระเจ้าโอกาก ร, ราชเอกว่าแท้จริงแล้วพวกยันทั้งทั้งห้าเนี่ยมันเป็นจั ก, กรวัติวัตก็ เ, เรียกว่าาชาสังหะคือเป็นหลักปฏิบัติของพระราชาผู้ปกครองแว่นแควนประชาชนเป็นการปฏิบัติธรรมะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพระราชาเท่านั้นเอง แต่ต่อมาพวกพราหมณ์ซึ่งได้ฐานะทางสังคมพวกพราหมณ์ที่จริงมันก็เป็นคนไอร่อนเร่พเนจรนะฮะประวัติแล้วก็ไม่ใช่คมขายอะไรอ่ะเป็นคนซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งแล้วที่าอาศัยตามเทวไลาตามตฐานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็พะเห็นพิธีกรรมของการบูชาการเส้นสวงพิธีไหว้เทพเจ้าบูชาเทพเจ้าอะไรต่ออะไรก็จากันจำพกคนไปบางคนเนี่ยก็ไม่รู้เรื่อง ไอ้พวกเหล่านี้ก็แนะให้แนะให้นานๆานข้ามันก็ได้ฐานะความเคารพนับถือจากประชาชนแล้วก็ก่อกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแลกเปลี่ยนวิธีกา ร, รต่างๆก็กลายเป็นการผูกขาดวิชาความรู้ที่จริงเป็นกลุ่มคนร่อนเร่พระเนจรนะฮะต้นเดิมจริงๆก็เรีย ก, กว่ากิ๊กๆมากเลยแต่ว่ามันก็ได้ฐานะขึ้นมาเพราะประสบการณ์ที่ได้พบเห็นในที่ต่างๆนั่นเองมันก็ได้ฐานะมันก็ปรับเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์กันขึ้นมา แต่ต้นต้นน้นเลยฮะต้นต้นเดิมจริงๆนะการเกิดของพวกพรามที่จริงไม่มีอะไรเลยเออพอแกได้ฐานะข้าวมาแกก็สร้างฐานขึ้นมาให้แกเกิดมาจากโอทพระพรหมเพราะแกสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้เนี่ยโกหกกันจนจนคนก็เชื่อโกหกกันจนคนก็เชื่อแล้วก็สร้างฐานะขึ้นมาให้ให้คนทั้งหลายมาจากพระเจ้ามาจากพระพรหมตอนนั้นเขาไม่เรียกพระเจ้าเรียกว่าพระพรหม แกนั้นเกิดมาจากโอทของพระพรหมกษัตริย์เกิดมาจากอุระของพระพรหมพวกแพทย์ก็เกิดมาจากเพลาหรือตักของพระพรหมพวกสูตก็เกิดมาจากเท้าของพระพรหมก็สร้างฐานขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะสแสวงหาประโยชน์เพราะว่าฐานะเองก็อยากจนนะฮะเป็นคนได้รอดนะก็แสแวงหาประโยชน์อะไรที่แกจะได้ประโยชน์แกก็สร้างไอพิธีกรรมต่างๆเกาะกลุ่มกันก็พูดไ้เหมือนเหมือนกันในที่สุดก็ไปแปลงอ้อยยันต์ทั้ง5เนี่ย ยนทานี้เมื่อก่อนอย่างที่บอกเป็นราชสังฆะเป็นข้อปฏิบัติของพระราชาเขาปุริสะเมตะเดิมทีเดียวนะปุริสะเมตะนั้นก็คือความฉลาดในการเลือกคนเมตะ์นี่แปลว่าค่าก็ได้แปลว่าฉลาดก็ได้เมธีเมธาอะไรที่เราใช้เนี่ยฉลาดในการเลือกคนบรรจุคนก็ทํางานมอบหมายให้คนทํางานในตําแหน่งหน้าที่ต่างๆโดยอาศัยความรู้ความสามารถคุณธรรม จะเป็นพื้นฐานทางใจของบุคคลเหล่านั้นโดยไม่ดูว่าลูกตาเหล่าใครเหล่าแต่ก็ดูที่ความรู้ความสามารถและคุ ณ, คณธรรมทางใจสัจสะเมธาสะัจเมธาสัจเนี่แปลว่าข้าวกล้าก็ได้แปลว่าม้าก็ได้ เ, เมธาก็เหมือนกันนะครับมันก็แปลว่าข่าก็ได้แปลว่าฉลาดก็ได้ที่จริงมั้นเนแปลว่าฉลาดฉลาดในการบํารุงการเกษตรกรรมเพราะว่าการทำอาหากินของพวกเผ่าอารยันสมัยโบราณมันก็คือ งานเกษตรกรรมเนี่ยเป็นหลักแล้วก็มักจะอยู่ตามลุูปแม่นม้ำอุกแม่น้ำสินทูรูปแม่น้ำคงคารูปแม่น้ำมยมุนาเนี่ยที่เรียกว่าปัญจมหาณทีต่อไปก็สัมมาปาะสะสัมมาปาสะก็คืองานสังคมสงเคราะห์นี่เองเป็นงานสังคมสงเคราะห์ที่รัฐสงเคราะห์ประชาชนโดยการออกเงินให้ก่อนก็กกใกล้ใกลกับอะไรธนาคารเพื่อการเกษตรอะไ คือเอาเงินให้ก่อนแล้วมีระยะปลอดหนี้อยู่3ามปีโดยไม่ต้องให้ให้ดอกแกรัฐแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนจะมาปาปราศเปยนว่าบ่วงเป็ว่าบ่วงที่คล้องน้ำใจคนงานหลักสังคมสงเคราะห์ที่รัฐจะสงเสงคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากจนแต่ไม่ถึงก็ให้เลยนะฮะไม่ถึงก็ให้เลยเป็นการให้ทุนในการดำเนินอาชีพกา ร, กรเกษตรกรรมแล้วก็ฉลาดในการจัดงาน ด้านเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเรื่องเหล่านี้ถ้าเราศึกษาทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศา ส, าสนากับประวัติศาสตร์ทางโลกแล้วเราจะพบว่ามันก็ไม่ค่อยตรงกันเพราะวิธีที่พระพุทธศา ส, าสนาแสดงนั้นแสดงเห็นว่าโลกได้ผ่านยุคสมัยที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆมาแยอะเลยกันขนาดแต่เราไปดูในปัจจุบันนะท่านจะเห็นว่าระบบรางอะไรตัวอะไร ของวัดสาราานาฏเ่วัดสาราานาท่อระบายน้ำอะไรนี่คนลงไปเดินได้สบายก็ใหญ่กว่าที่กรุงเทพสิก็ แ, แสดงถึงว่าเขาก็ก้าวหน้าในด้านต่างๆอยู่แยะเหมือ น, นกันแต่ว่าร่องรอยมันก็หายไปบางยุคบางสมัยบางอย่างที่เหลืออยู่เราก็ไม่มีข้อมูลในเรื่องเหล่านั้นมากพอที่จะตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็วาชะเประยะ่วาชะเประยะแปลว่าดูดดื่มน้ ำ, ำําพี่จริงก็ เป็นหลักอะไรมนุษยสัมพันธ์หรือว่าหลักการประชาสำคัญที่รัฐ ก, กับประชาชนจะต้องเกี่ยวข้องเข้าใจการพูดจากันโดยเหตุโดยผลโดยวิธีที่เรียกว่าเป็นมิตรสนิทสนมกันเพราะตามหลักฐานที่ปรากฏในคัมภี ร, ร์พระคุตตสานานั้นเวลาเกิดปัญหาระหว่างผู้บริหารกับราษฎรแล้วจะไม่ใช้วิธีทาลายแต่ว่าจะใช้วิธีมาปรึกษากัน การสระดรโจดทวงประราชาว่าพระราชามีส่วนบกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้พระราชาก็จะตรวจสอบพระองค์แต่เห็นว่าพระองค์ผิดพระองค์ก็สละราชสมบัติให้คนดูเขาเป็นแต่ถ้าพระองค์ไม่ผิดก็ต้องหาสาเหตุที่ให้เกิดปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาแล้วต่างฝ่ายต่างก็ร่วมมือกันค้นคว้าสาเหตุไม่ใช่ว่าจะโยนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําก็เป็นหลักวาชเปย์ยะคือหลักที่จะพูดจาทําความเข้าใจกันชี้แจงคือการประชาสัมพันธ์นั่นเองะ เราจะพราบว่าการประชาสัมพันธ์ธนั้นเป็นเรื่องเป็นหัวใจในการติดต่อสื่อความหมายสร้างความเข้าใจสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคคลภายในสังคมที่ท่านใช้มาตั้งแต่โบราณนะฮะก่อนปฐ ม, มวงศ์ของพระพุทธเจ้าสิ่นิรัคะนั้นก็คือการขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายต่างๆสิ่งที่เป็นเครื่องขัดขวางความเจริญตลอดถึงออโจรผู้ร้ายที่เบียดเบียนคมเหงราษฎร ความหมายอย่างหนึ่งความหมายในส่วนผลก็คือราษฎรจะอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องใส่ริมสลักนีรัชะาแปลว่าลิมสลักคือไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องติดกุญแจนะพูดง่ายๆว่าไม่ติดกุญแจบ้านเปิดประตูทิ้งไปได้จะไม่มี ข, มขโมยขจรมารบกวนนี่ต้นเดิมจริงๆต้นเ ด, ตเดิมจริงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอมาถึงยุคของพราหมณ์ที่เป็นกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยเราต้องการสร้างฐานคือคือคื อ, ค, อคือจะครอบงําหมดเลย จะครอบงำหมดเลยจะครอบงำทั้งกษัตริย์ทั้งแพทย์ทั้งสูตรโดยตัวเองจะอยู่บนยอดเริ่มมาตั้งแต่การสร้างกำเนิดตัวเองแล้วก็ให้อยู่บนยอดของสังคมแต่ว่าพราหมณ์แกก็พลาดนะครแกก็พลาดในจุดหนึ่งว่ากษัตริย์นั้นก็มีอาวุธก็มีอาวุธก็มีกำลังทหารเพราะงั้นกษัตริย์จึงไม่เคยอยู่ใต้พราหมณ์เลยมีแต่ว่าอยู่เหนือพราหมณ์เอาพราหมณ์พราหมณ์มยังดีก็เป็นแค่ปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินแต่นั้นเองแล้วก็ ถ้าได้มีอำนาจในการบริหารก็จะให้ก็ขนาดไดขนาดนายอำเภอได้มั้งขนาดนายอำเภอปกครองหมู่บ้านเก็บสวยเอาเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ส่งเข้ารัฐบาลกลางก็มีได้ขนาดนั้นเท่าที่พบตำนานแล้วก็บางยุคบางสมัยก็มีเหมือนกันนะแต่ก็มีเกี่ยวข้องกับพวกกษัตริย์อยู่คือพราหมณ์เป็นเจ้าเป็นดินก็มีบ้างแต่ก็อยู่ไม่ได้นานะ เรลงว่าพอถึงสมัยพระเจ้าโอกระกากราชซึ่งเป็นปฐมวงของพระพุทธเจ้าพวกพราหมณ์ก็ใช้อิทธิพลของตัวเองซึ่งสร้างมานานพอสมควรสะสมมานานพอสมควรก็เปลี่ยนยันนี้หมดเลยปริสเมีธากลายเป็นการฆ่าคนอาสามเมธาก็คือการฆ่ามา้าสมาปราระนั้นก็เป็นการโยนบ่วงขึ้นในที่อากาศแล้วก็บ่วงมันตกในที่ใดแล้วก็จะสร้างโรงขึ้นในที่นั้น วาชาะเปยะนั้นก็เป็นวิธีฆ่าเสร็จแล้วก็มีการดื่มกันนิรัครลานี่ฆ่าหมดเลยนิรักคาลาคือขาจัดอุปสรรคหมายความอะไรขวางฆ่าหมดเลยเป็นยันที่รุนแรงโหดร้ายมากแล้วก็ถือปฏิบัติมาเรื่อยตลอดตั้งแต่สมัยพระเจ้าอุกกากา ร, กราก็ถือปฏิบัติมาเพราะพรามเป็นกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์นะครับพรามได้พรามแก็ได้ประโยชน์แกก็จะ พยายามประชาสัมพันธ์พยายามชี้แจงปลูกฝังสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนแต่ละยุคแต่ละสมัยยอมรับกันนี่ก็เป็นการปฏิบัติที่เริ่มมาถูกแต่ในที่สุดปฏิบัติผิดมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่กลุ่มผลประโยชน์ซึ่งพยายามสร้างเงื่อนไขขึ้นมาใหม่โดยซ่อนเอเจตนาที่จะได้ประโยชน์จากการกระทําไว้กระทําเหล่านั้นไว้เบื้องหลังและตัวประโยชน์จริงๆก็ได้แก่เขาไม่ใช่ว่าได้แก่ประชาชน ได้เกศต่างหลายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่ายันที่มีลักษณะอย่างนี้มันมีการฆ่าการบีดเบียนการประทุษร้ายและการทำลายล้างกันซึ่งบัณฑิต ท, ทั้งหลายก็ไม่ได้หมายความเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะฮะคนระดับที่บัณฑิตมันก็คิดได้คิดได้สมัยเปาบุญจิ้นเองก็ยังเคยเคยใช้วิธีนี้วิธีเดียวกับที่พระโพธิสัตว์เคยใช้ ่วิธีที่เขาฆ่าคนส่งสามพระมารีไปให้เทพประจํามแม่น้ำนะฮะแล้วปาวุญจินเคยจับไอ้หมอลงไปให้ถามเทพประเจ้าประจํามแม่น้ำํำมาชอบใจหรือเปล่าสาวพระมารีคนนี้ที่จะส่งไปให้แล้วนั้นมันก็จมหายลงไปไม่โผล่ขึ้นมาเลยยันต้องเลิกก็ก็เป็นวิธีแก้แก้ลําไอ้พวกหมอที่ปรุงไอ้สแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยที่จริงพระโทธิสัตว์ก็เคยใช้วิธีนี้แต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่จับฆ่าแต่นั่นเองท่านท่า น, ท, านท่านบอกว่า คุณต้องลงไปถามเ็าก่อนถามเทพเจ้าก่อนว่าชอบใจหรือเปล่าสารพริมารีที่จะส่งไปให้นี่ก็แนวเดียวกับที่เปาบุญจิต์ออกมาทำซึ่งก็อาจจะเปาบุญจิต์เองก็อาจจะอ่านไอ้คำพีในพระพุทธ ศ, ศาสนาแล้วก็นำไปใช้ก็ได้ แ, แสดงว่าเป็นการแก้ปัญหากลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้แต่ถ้ายุคใดสมยดัยใดที่คนไม่ไปยอมแก้มันก็เกิดคือแก่ก็ได้ผลประโยชน์จากยันเหล่านี้แก่ บัฑดีทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญจึงเราจะเห็นว่าถ้าเราดูในคมภีร์รุ่นพวกชาดกต่างๆนี้มีเรื่องเหล่านี้แยะผ่านมาแล้วก็คนที่เป็นตัวเอกในเรื่องนั้นก็คือพระพุทธศัตน์ในเรื่องนี้จะเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะเป็นการารัฐเอาเปรียบเป็นการรังแกประชาชนแล้วก็ยันใดที่มีการตระเสียมน้อยแล้วก็ไม่ประกอบด้วยการฆ่าการเบียดเบียนบันดีทั้งหลายมีพระพเจ้าเป็นต้นก็สรรเสริญยันนั้น ในประเด็นตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันมีอะไรอุบาสกะรัตนะคือคุณสมบัติของอุบาศกข้อที่สนะฮะข้อที่สมที่บอกว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลคำว่ามงคลตื่นข่าวนี่โดยรูปศัพท์แล้วก็หมายถึงอะไพิธีรีตองที่มันใหญ่ๆห่ะพิธีรีตองที่ประกอบกันใหญ่โตทํานองไงตามน้ําพริกละลายลายแม่นม้ําโบราณก็ว่าละลายแม่นม้ําปัจจุบนันละลายทะเล มันมากเกินไปคือเรื่องที่มันไร้สาระและทําไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นเรื่องที่ทางพระวุทธศาสตร์สนาไม่ยกย่องสรรเสริญพิธีกรรมเหล่านั้นแต่พิธีกรรมอะไรคือว่าคําว่ายานในบางทีมันออกมาจากปริวยิทย์ถังถึงแก่การแปลว่าการเส้นสวงการบูชาหรือพิธีกรรมต่างๆที่มันเกิดประโยชน์ก็ไม่ใช่ปฏิเสธนะฮะ ไม่ใช่ปฏิเสธพิธีกรรมเหล่านั้นถ้ามันเกิดประโยชน์เพราะเราไปดูที่ตัวประโยชน์กับความสุขซึ่งจะเกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนั้นแต่ถ้าพิธีกรรมที่มีค่ามีการเบียดเบียนมากเนี่ยก็ไม่ยกจ้องแล้วก็สรุปเน้นว่าบัณฑิตผู้มีปัญญาเนี่ยก็จะถ้าจะทำทางาศาสนาก็ไม่ได้ห้ามนะฮะทางาศาสนาก็ไม่ได้ห้ามแต่ต้องทาในลักษณะที่ไม่มีการไอๆผลาญผลาในมาก คือไม่มีการจัดเตรียมต่างๆมากแล้วก็ไม่มีการฆ่าการเบียดเบียนมากทำไแล้วก็ยังเกิดประโยชน์เกือกูแล้วก็เกิดความสุขจากการกระทำเหล่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็สรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็ยกย่องดังนั้นในมิจฉาทิฏฐิสมข้อที่มิจฉาทิฏฐิสข้อที่สนะฮะจึงที่บอกว่าไอ้คนปฏิเสธวันนี้นาทียิถังเนี่ยคือพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลเป็นมิจฉาทิฏฐิ 10. เพราะว่าในชั้นหนึ่งมันก็มีผลไม่ใช่ไม่มีผลไปเลยแต่ว่ามีผลในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการผลในระดับใดแล้วแม้แต่พวกความเชื่ออะไรที่เรื่องเกี่ยวกับเทวดาเกกอะไรก็เหมือนกันคือทางาการจะนับถือสิ่งเหล่านั้นพระพุทธศาสนาเองไม่ถึงกับปฏิเสธหรอกคือเราไปพูดโดยมันเกินพระพุทธเจ้าไปเองพระพุทธเจ้าท่านว่าได้ทิ้งว่า ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ตั้งปวงได้ท่านั้นเองะคือสาประเด็นแต่นั้นเองเพราะแน่นอนว่าคนนับถือสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้คิดว่ามันจะพ้นทุกนะฮะไม่ได้คิดจะบรรลุมรรคผลนิพพานและไม่ได้ถือว่าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดแต่ถ้าใครไปถือเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเข้าอันนี้ก็นอกทางพระศาสนาเหมือนกันแล้วเมื่อวานนี้มีคนเข้ามาเล่าฟังคือคนคนนี้จริงๆมารู้จักนะ เคยเคยพบกับท่านสมัยที่ท่านเป็นอาจารย์ปรากฏว่าไปเชื่อคนทรงเดียวเซนฉโนดไปให้ก็ตั้งถอยสิบหกชนโตกันนี้มากไปนะเป็นเป็นเป็นความเชื่อปักไปในแนวเดียวซึ่งอันตรายไปแล้วก็ในที่สุดมันก็เป็นการอะไรเป็นการไม่เกื้อกูลแก่ตนเองไม่อานวยความสุขแก่ตนเองแต่ถ้าทําในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่เราไม่มีการเปลี่ยนแปยงคนอื่น พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ตำหนิแต่ต้องยอมรับว่าเป็นชั้นหนึ่งของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นจุดสูงสุดของการปฏิบัติแต่ถือว่าเป็นขั้นบันไดขั้นหนึ่งนะฮะที่เราจะเดินไปแล้วก็ได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่ขั้นบันไดขั้นนั้นซึ่งจะต้องแยกให้ออกทีนี้ประการต่อไปนั้นเราจะเห็นถึงคือนางพระนางมารีกาเทวีเนี่ยคือคือคือคือก็ออเริ่มมาจากตรงนี้เริ่มมาจากว่า พระเจ้าเปรสเซนทโกศลพระเจ้าประเซนิโกศล เ, เป็นเป็นพระราชาที่ซื่อนะฮะและบางทีก็ท่านก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหรนะ่บรรดากษัตริย์ใหญ่ระดับมหาราชสีองค์ในพระเจ้าปรสเซนทโกศล น, นี่ถุ่มถุมที่สุดเลยก็มีอะไรที่ที่ขำขำที่สุดเลยท่านท่านท่านท่านเป็นคนเชื่องง่ายนะเป็นคนเชื่องอะไรง่ายเกินไปแล้วอ่อนไหวง่าย เพราะงาั้นคนในลักษณะนี้เมื่อเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือใครไปเกาะติดแล้วก็พร้อมที่จะดึงกระชากท่านไปได้แต่ว่าไอ้อาศัยความเชื่องง่ายอย่างเนี้ยพอไปเกาะแหลงที่ดีเข้าท่านก็ไปกันท่านได้เหมือนกันอย่างเช่นท่านเป็นคนชอบสเสบยมากนะก็เหมือนกับพวกไอ้พวกไอ้สุนละตานพวกอะของแข ก, กคือกินไม่ขาดปากเออจนร่างกายใหญ่แล้วก็เสร็จแล้วก็นอน ไปฟังเท่ก็หลับนั่งสะพังงกอยู่เลยขนาดต่อพระพักเองยังคุมไม่ได้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเองยังคุมไม่ได้พระพุทธเจ้าก็แล้วก็ผู้คาถาให้บทให้มานพซึ่งเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดเอาไปท่องไปท่องคาถาว่าคนที่ที่กินมากๆแล้วก็นิยมในความหลับมักจะเข้าไป ห้องแล้วก็นอนหลับบ่อยๆก็นอนกริ่งเกรือกอยู่เหมือนก็หมูที่เขาเลี้ยงไว้ในล้าวเนี่ยเนื้อมันก็เจริญสติปัญญาก็ไม่เจริญคือพอเห็นว่าพระเจ้าประเสริในกุศลรับสั่งมากเออเสวยบ้างแล้วก็มนษยคนนี้ก็ท่องคาถาท่านก็หยุดท่านก็หยุดคือเป็นเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนซื่อแล้วก็อ่อนไหวซึ่งเป็นจุดเสียเหมือนกันไอ้จุดอ่อนไหวของท่านเนี่ยดังนั้นพอ ใส่พบเห็นเอสตรีซึ่งเป็นพัญญาของคนอื่นถ้าก็อ่อนไหวไปง่ายแล้วก็เราดูถึงถึงแผนของของกิเลสนะฮะกิเลสที่มันเกิดขึ้นมันพร้อมที่จะกระจายตัวเองออกไปคือทําผิดทําซ้อนที่จริงไอ้ไอ้ความพอใจในพัญญาของคนอื่นนั้นก็เป็นความบกพร่องในชั้นของสมบคนระดับนี้แล้วแล้วท่านก็ยังลามปามไปใหญ่ คือไปเอาคนมาโดยวางแผนที่จะแย่งพัญญาเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้แย่งเฉยๆวางแผนจนถึงกับฆ่าเขาอีกแล้วเมื่อฆ่าไม่ได้ก็วางแผนลามปามไปอีกไปนี้เป็นลักษณะของกิเลสซึ่งมันกระจายตัวมันเองเออโดยเฉพาะในช่วงตรงนี้นะฮะถ้าท่านทั้งหลายได้อ่านข่าวทั้งซือพิมพ์แล้วจะจะมองเห็นในผังของธรรมะชุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มันมีลักษณะลามปามทางใจ กิเลสมันเกิดลามปามที่ทรงแสดงว่าความรักเกิดเพราะความรักก็มีความรักเกิดเพราะความโกรธก็มีความโกรธเกิดเพราะความไอความโกรธเกิดเพราะความรักก็มีความโกรธเกิดเพราะความโกรธก็มีนี่คือคือลักษณะไอจิตใจที่มันแกว่งเพราะแกว่งแล้วมันแกว่งไปยุ่งไปหมดเลยเราจะดูในเรื่องพักการเมือกับปังหาเสียงก็ได้แล้วกลางผังเนี้ยไปเป็นสี่ชุดนี่เราจะจับชนกันได้หมดเลย วันนี้เปนความรักเกิดเพราะรักอันนี้มันความรักเกิดประโกรธอันนี้มันความโกรธเกิดเพราะรักอันนี้มันความโกรธเกิดประโกรดเราจะจับผังมันมาผังและกลางหนูเป็นมาตรวัดเลยมันสะท้อนพฤติกรรมออกมาเป็นเชิงกลุ่มบุคคลแล้วคณะบุคคลที่เราเห็นได้ชัดมากความรักเกิดเพราะรักเช่นเช่นตัวอย่างว่านายกอเป็นเพื่อนเราเรารักนายกอนายนายขอก็เป็นเป็นเพื่อนนายกอเรารักนายขอด้วยแต่ไม่แน่ฮะถ้าสิ่งรักนั้นเป็นสิ่งเดียว แล้วอีกคนหนึ่งมารักมันเกิดโทสะขึ้นมาได้มันกพ็พร้อมที่จะแหว่งออกไปเลยเพราะเพราะเพอะไรเพราะเป็นการเริ่มมาจากกิเลสแล้วพอพอตกมากมันก็กลายเป็นพวกอาคจิทิทางของกิเลสนี้จึงจึงเข้าสู่ที่ที่ทรงแสดงไว้นั่นเองเพราะถ้ามันเกิดแล้วไอ้ยังเอิดมันไม่เกิดมันจะเกิดที่เกิดแล้วมันจ ะ, จะเจริญขึ้นมาเรื่อยๆเรืยเรือยความรักที่เกิดเพราะความโกรธสมมติว่าเราเป็นเพื่อนกันนายก็แล้ว ความรักที่เกิดขึ้นเพราะความโกรธไม่ใช่ความรักที่เกิดขึ้นเพราะความรักก็มีนะฮะความรักที่เกิดขึ้นเพราะความโกรธก็มีเช่นยกตัวอย่างว่าเราเป็นศัตรูกันไหนก่อนนายขอมาเป็นศัตรูกับนานก่อนเราก็ชอบนายขอด้วยเป็นศัตรูร่วมกันเรียกว่าแนวร่วมได้แนวร่วมก็เป็นพวกเดียวกันเลทีนี้ไอ้ความรักที่เกิดไอ้ความโกรธที่เกิดขึ้นเพราะความรักก็หมายความว่าอย่าง สมมติว่าเราเรักนายก่อเนีฮะแต่นายขอมาเกิดเป็นศัตรูกับนายกเราโกรธนายขอด้วยนี่ความความโกรธที่เกิดขึ้นเพราะความรักหรือความโกรธที่เกิดขึ้นเพราะความโกรธเอ่อยกตัวอย่างเช่นเราโกรธกันนายกอีกฮะสมมุติว่าเราโกรธกันนายกอยู่แล้วก็นายขอมาทําดีกับนายกเราโกรธนายข่อตามไปด้วยนี่มีลักษณะของการลามปามทางใจ ดังนั้นพระเจ้าประเสริฐในกุศลนี่ท่านจะเห็นว่าเริ่มที่รักเริ่มที่รักแล้วในสุดท่านลามปามกเลยท่านลามปามมาจนถึงจะดึงคนมาดึงสามีเขามาให้ใช้างานนะเพื่อกักเอาไว้อย่าให้ไปอยู่ร่วมกับพันยาเขาแล้วก็วางแผนที่จะฆ่าวางแผนอะไรฆ่าไม่ได้ก็ให้ไปทํางานซึ่งสุดวิสัยที่จะทําเพื่ออะไรเพื่อจะฆ่าฆ่าเพื่ออะไรเพื่อจะได้พันยาเขา นี่มันก็ออกมาจากกลายเป็นกิเลส ท, ที่มันเริ่มจากราคะแต่มันออกมาเป็นโทสะเป็นการระทุดสรายจนถึงกับตัวเองทําลายตัวเองนอนไม่หลับมาทั้งหลายคีนแล้วก็ไปได้ยินเสียงทงั้งเสียงเปรตทั้งเอ็มไม่ใช่เสียงสัตว์นรกทั้งทั้งสีดังดังที่ได้กล่าวแล้วทีนี้เอ๋อปัญหาเหล่านี้ประเด็นของเรื่องสัตว์นรกนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าไอ้อเสียงนั้นนรกมันจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละ แต่ว่าพระเจ้าประเสริฐที่กุศลนั้นอาจจะเป็นกนุศลกรรมบรรดาให้ท่านไปได้ยินเข้าแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นปัญหาที่จะนํามาสู่การแก้ปัญหาซึ่งซึ่งอย่ามาเคยบอกแล้วว่าที่ตั้งของนรกนั้นไม่ได้แสดงไว้ว่าอยู่ในโลกนี้นะฮะไม่เคยพบในคำภีร์เลยว่าอยู่ในโลกนี้แต่ถ้าเปรตอสุรกายแล้วก็เคยพบว่าบางพวกนั้นเราสามารถที่จะพบกันได้ในโลกนี้แต่แต่นรกกันใช้คําว่าปารโลกอยู่แล้วก็ อ, อยู่ในโลกอื่น โดยส่วนจะได้ยินอย่างไงนั้นเป็นเรื่องที่ที่พูดกันยากนะครแต่ในเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้แล้วว่าที่จริงก็มีผลในการคุ้มครองจิตใจคุ้มครองความประพฤติของคนรับฟังเอาไว้ก็มีแต่ผลดีส่วนเดียวไม่ได้มีผลเสียอะไรการต่อไปก็คือเรื่องของเรียกอะไรนะครบุญญาบุญญาธิการหรือว่าบุญญ า, นาอนุภาพอนุภาพแห่งบุญซึ่ง บางครั้งเราหาคําตอบไม่ได้อางในกรณีของบุรุษที่เป็นสามีของสตรีคนนั้นที่แกสามารถไปเอาดินไปเอาดอกบัวกระดินสีรุนมาได้ซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์ไม่สามารถที่จะวิ่งไปได้ทันแต่แกก็ได้นี่ก็บอกว่า เ, เป็นการได้ด้วยเทวานุภาพแต่ว่าเกิดขึ้นโดยบุญญาณุภาพคือบุญของแกและความซื่อสัตย์สุจริตต่างๆที่มารวบรวมกันเป็นปัจจัยสนับสนุนให้แกสามารถทํางานแล้วก็รักษาชีวิตไว้ได้ นี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ประการหนึ่งว่าถ้าเราลองศึกษาลองดูถึงสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยบางอย่างก็แปลกคือมันมาแปลกเป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของอความพิเศษที่เราสืบสาวเหตุผลไม่ได้นอกจากว่าเป็นแรงบันดาลของบุญกุศลที่ส่งมาให้เราเรื่มหน่วยให้ให้เราแต่ว่า ในกรณีนี้ก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่เข้มแข็งพอสมควรนะฮะไม่ใช่ว่าตักบาตถ้วยเดียวต้องการถูกสละกกินแบ่งรางวังที่หนึ่งอันนี้มันก็เกินไปประการต่อไปก็คือเรื่องตรงนี้พระอาจรย์อาจารย์ท่านแขวะเอาไว้ท่านแ ข, ขวะเอาไว้ตอนทุกตะตอนตอนบุรุษคนนี้พอจนแต้มก็จรงิงๆไม่รู้จะไปไหนก็นึกถึงวัดแล้วพระอ า, ราจารย์อาจารย์เวลาท่านเขียนท่านบอกว่าธรรมดามนุษย์ทั้งหลาย เมื่อตนเองสุขสบายดีอยู่ก็ไม่คิดถึงวัดมันมีอยู่หรอกแต่ว่าพอเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็คุกคามก็นึกถึงวัดอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ทําตามสัญชาตญาณ น, นั้นอย่างหนึ่งแต่ก็อีกอย่างหนึ่งคือคนบางคนนั้นก็เรียกว่าพอเห็นหน้านี่มันรู้เลยนะฮะย่งเป็นปีๆไม่เคยพบเลยแล้วพอเห็นหน้าก็มาแล้วเรารู้ว่าคนนี้ต้องมาพึ่งอะไรอย่างเนี่ยตอนนี้เนี่ยพึ่งเรื่องฝากเด็กแต่ยุ่งที่สุดเลย พอเห็นหน้าปั๊บแล้วกันนี่ตั้งหลายปียไม่เจอหน้ากันมานีม่มีอะไราฝากเด็กนอกจากว่าคนที่ก็มาอยู่บ่อยๆเห็นหน้าก็รู้แล้วอันนี้ก็พระอะไรเพราะความทุกข์บางอย่างมันก็อยู่ในเรื่องสุดวิสัยที่เขาจะก็จะแก้ไขด้วยตัวเองได้เขาก็ต้องนึกถึงสิ่งอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คิดว่าจะช่วยเหลือเขาได้ตุ๊กตา บ, บุรุษนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นแกก็มาคิดได้ว่าไอ้ที่จะปลอดภัยจริงๆมันต้องวัดท่า น, นั้นน่ย จะปลอดภัยจากราชอำนาจของพระราชาได้เนี่ยมาต้องข้าไปในวัดแลแกก็ข้าไปในวัดทีนี้พระนางมาเไม่ใช่คือเรื่องโห้นนี่การเชื่อสิ่งต่างๆนี่เราจะพบว่าคนเรานี่ไม่ยอมสูญเสียสถานะไอโหนนั่นแกก็คิดนะเพราที่จริงแกก็ไม่รู้แต่ถ้าจะบอกว่าไม่รู้ไอลาดส ก, การ่าความเคารพนับถืออะไรต่างๆนี่ที่แกเคยบอกว่ า, าที่แกเคยได้จากพระราชาต้องเสื่อมหมด ประชาชนจะไม่ให้อะไรเพราะันก็เลยดำน้ำหายไปเลยก็ทายไปเรื่อยๆก็ทายไปก็เพื่อจะเมือ่อเมื่อทายแล้วเนี่ยมันก็ทำยังไงเพื่อจะให้ได้ประโยชน์เราจะพบว่าพวกหากินในทางนี้บางทีนี้เราเห็นได้ชัดว่าเขามุ่งประโยชน์จนสมมติว่ามาโอ้นี่คุณมีเคราะหมากต้องสะเดาะเคราะต้องทำอย่า ง, ง, ง, งนั้นอย่างนี้แล้วใครจะทำล่ะ ก็ต้องต้องให้หมอทำสิเพราะหมอเป็นคนบอกแล้วหมอก็ทําแล้วก็หมอก็ได้ไลาซาคาร่าเหล่านั้นนี่ก็กลายเป็นเครื่องมือหากินที่ก็ใช้หากินกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ทุกวันก็ยังหากินกันได้สบายยังไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็เรียกว่าไม่ก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจคนประเภทนี้เพราะว่าคนที่หลอกง่ายเนี่ยมีเยอะในโลกนี้พระเจ้าปเสนติโกศลเองมันก็อยู่ในในกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ถูกหลอกง่ายแต่เพราะอะไรเพราะมันเกิดเคว้งนะฮะ ท่านจะเห็นว่าพระเจ้าประเสเสียนโศนนั้นเริ่มอ่อนทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจความคิดเริ่มสับสนมาตลอดสับสนมาตลอดก็จับทิศทางไม่ได้พอได้ยินเสียงเสียงเปรตนั้นเข้าอีกเลยก็ไปกันใหญ่พอเกิด ส, สับสนแล้วมีอะไรเกาะ็แกก็เกาะไว้ก่อนอะเกาะไว้ก่อนไม่เรียกว่าฟางลอยมาเส้นหนึ่งก็เกาะไว้ก่อนลักษณะาทางความคิดของคนที่สับสนจึงมีแนวอย่างนี้บางทีเราหลงทางกัได้ตั้ง น, น, นานๆนะอย่างอย่างในปัจจุบันนี่ อย่ที่บอกให้ฟังกันก่อนว่าไม่น่าเชื่อนะฮะคือชาวพุทธเราที่พุทธังสนังกะชะามีอยู่ในว่างๆเอาไว้ใสาบาบาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกคนนึงอีกนะใส่บาบาอยู่ที่เมืองแขกคือไปเห็นอะไรนิดๆห น, น, น่อยๆกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วนี่เพราะอะไรเพราะความคิดเรายัางสับสนไอ้ศรัทธายัางยังไม่ได้มั่นคงอะไรมันก็พร้อมที่จะแกล้งไว้ได้เหมือนพระเจ้าประเนนสนีกุศลที่จริงท่านคุ้นเคยกันมากนะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อยู่รู้สึกจะเป็นเพื่อนกันด้วยเพราะว่าประชาช น, นยุทธเท่ากันแล้วก็บ้านเมืองก็อยู่ใกล้ก แต่ว่าเอาก็จริงแล้วท่านก็ไม่ได้อะไรจากพระพุทธเจ้ามากพอที่จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวได้แล้วก็กลับไปได้จากพานาังมริกาพนางมริกาที่จริงก็เป็นสตรีธรรมดานะเป็นลูกนายอุทยานในในอุทยานบา น, นคนรักษาอุทยานที่พระเจ้าประเสริญในกุศลไปรบกับพระเจ้าชาติตรูไปรบศึกนะฮะแล้วก็แพ้แล้วก็วิ่งหนีมาโดยเลื้อยพระองค์กมารแต่นั่นเองแล้วก็พานาังมริกาเนี่ยก็ช่วยไว้ ข้าวพักในในอุทยานะนางก็ช่วยไว้แลนะ้วทั้งก็โปรดรัฐาปนาขึ้นเป็นมหสีกลายเป็นคนที่ฉล า, าดได้ช่วยพระเจ้าประเษษสริฐกุศลไว้ซ้ำๆจากๆเลยนั้งหลายค้างหลายคนนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าบางทีนี่ไอคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าหากว่าไป ขาดการใช้เหตุผลใช้ปัญญาพิจารณามันก็หักไปในมุมของพระชจ้าเประ เ, ระเนสนิโกศลแต่ว่าเมื่อมีพวกกัลยาณมิตรคอยตักเตือนแต่ว่ากัลยาณมิตรท่านมาแรงอนางมาริก า, ท, าท่านรับสั่งแรงหน้าโกรธจะด้วยท่านรับสั่งเอาแรงในะกินข้าวปเปล่าๆจะด้วยคือไม่ได้ใช้ปัญญาเลยเพราะอะไรเพราะมันต้องการจะกระตกุกระตุกความคิดให้มันเกิดมันคิดขึ้นมาเพราะท่านหลงไปยะและในที่สุดก็ได้ผลเต่อไปก็เป็นเรื่องที่ พระพุทธเจ้าท่านจะพบว่าพระพุทธเจ้านั้นคือเรื่องที่ที่ที่มันมีปัญหามาถึงเนี่ยยังเคยเล่าฟังตอนที่ที่รับสั่งตอบคําถามของภัยร่าชกุมาณนานมาแล้วเนี่ยว่าพอเหตุเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมัรู้ทันทีรู้ทันทีมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนคนชํานาญในเครื่องรถเครื่องอะไรพอสตาร์ตรถรู้ทันทีว่ามันเสียตรงไหนโดยไม่ต้องไปคิดอะไรมากและของพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นสัพพัญญุตยานก็ยิ่งกว่านั้นอีกมันก็เร็วกว่านั้น พอ พ, อพอระเจ้าประสเส้ น, นกยชนเล่าก็รรู้ทันทีเลยว่าเรื่องอะไรนี่คือความรู้ประเภทที่เรียกว่าสัพพัญยุตยานคือรู้ที่สมบูรณ์จริงๆแล้วก็ถูกต้องจริงๆมองเห็นได้ตลอดสายทีนี้ก็มองเห็นรูปของชีวิตซึ่งเราก็จะพบว่าไอ้คนประเภทลูกเศรษฐีสี่คนเนี่ยมันเป็นลีลาชีวิตของคนซึ่งเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย แล้วแม้แต่ในปัจจุบันคนประเภทนี้มันก็มีเยอะแล้วเขาก็ไม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกนะฮะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกไม่ค่อยเชื่อเรื่องสวรค์อะไรแต่ถ้าเรามองไปให้ซึ้งว่าทำไมคนเหล่านี้จึงไม่เชื่อเรื่องนรกมันภายในก็กลัวนรกนะฮะเพราะาตัวเองทำผิดไปเยอะแล้วก็กลัวจะตกนรกก็เลยปฏิเสธเอาก็ทำนอ ง, งคล้ายๆกับคนที่กลัวผีนะฮะท่านลองสังเกตดูว่าคนที่บอกว่าไม่กลัวผี ไม่กลัวผีไม่เชื่อว่าผีมีนะะแล้วก็ลองชั่วให้แกไปอยู่ที่บ้านเปลี่ยวๆที่บ้านร้างๆเปี่ยวๆลองดูแต่แกไม่ไปหรอกแต่แกไม่อ้างว่ากลัวผีแกจะอ้างว่ากลัวความมืดบ้างเหงาบ้างอะไรแกก็ว่าไปได้แต่ที่จริงมันในลึกจริงๆคือแกกลัวผีแต่ก็ไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองเท่นั้นคนที่เขาบอกว่าไม่กลัวผีนี่หายากถ้าแน่จริงแล้วลองไปนอนดูในป่าช้าตามวัดจนนบดลองดูก็เราก็รู้แล้วแต่ แต่แกก็จะตะแบงอ้างไปเรื่อยๆเพื่อจะสแสดงว่าตัวเองนั้นเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดในส่วนลึกของจิตใจนั้นก็คือกลัวผีก็คล้ายๆกับไอ้คนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกนั้นส่วนลึกจิตใจแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่โมหะก็คือกลัวคือกลัวว่าจากไอ้บาปรกรรมของตัวเองที่กระทำเอาไว้เนี่ยแหมมันตกนรกแน่เพราะงั้นก็ค้านนรกเย่งๆเอาไว้ก่อนเพื่อปลอบใจตัวเองเมื่อคนเดินในที่มืดและร้องเพลงส่งเสียงดังไปตามเรื่อง เพื่อจะปลอบใจตัวเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในการการกระทำของลูกเศรษฐีทั้งสี่คนนี้ซึ่งเป็นเหตุให้มาตกนรกเนี่ยถึงแม้ว่าทีหลังจะเกิดความสำนึกว่าเป็นความผิดแต่เป็นความสำนึกที่ไม่รู้เมไรจะได้แก้ตัวนะก็วางแผนไว้ดิบดี ว่าเราเมื่อกลับไปแล้วเมื่อหลุดพ้นจากนารกไปแล้วจะประพฤติกระทำความดีจะอยู่ในถ้อยคำของนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายจะสร้างกุศลให้มากเป็นต้นเนี่ยนี่มันเกิดขึ้นความคิดเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเวลาเราประสบภัยอันตรายถ้าพื้นฐานทางใจไม่ดีจริงๆแล้วก็จะเกิดได้เฉพาะเวลาเรามีภัยอันตรายเท่านั้นเราสบายสบายก็ลืมสบายสบายก็ลืมในที่สุดมันก็ วิถีชีวิตก็ดำเนินเข้าไปสู่เส้นทางของอกุศลต่อไปทีนี้ในเรื่องเวลาราตรีซึ่งพระเจ้าปเสนิโกศลท่านบอกก็แหมราตรีของแต่ละคืนที่ผ่านไปมันยาวนานนักเกินเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของท่านนั้นมีความฝ่ขวัญมีความปรารถนาต้องการให้มันรุง่งคืออยากให้มันรุง่งเพราะรุ่งแล้วก็คือ ก็ไปไปไปรับเอาสตรีคนนั้นได้ก็คิดว่าสามารถที่จะฆ่าผู้ชายคนนี้ได้เนื่องจากไม่สามารถส่งดอกบัวกระดินสียรุนได้ทันท่านก็วางแผนไว้เสร็จเพราะงั้นไอ้เมื่อไรจะรุ่งเมืม่อไรจะรุ่งเมืม่อไรจะรุ่งเนี่ย ม, มันเลยกลายเป็นเรื่องที่ยาวนานสําหรับท่านก็แสดงให้เห็นถึงว่าไอ้ ใ, ใจเราที่ไปเอื้อมไปไขว้คว้าสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนี่ยทาให้การในช่วงนั้นมันนานก็คล้ายๆกับว่านัดหมายใครก็สักคนหนึ่งแล้วก็ เราเมื่อไหร่ก็จะมาเนี่ยทั้งๆ ท, ที่เวลามันก็เท่าเดิมแต่เรารู้สึกว่าเวลานั้นนานได้เกินประการต่อไปก็คือที่บุรุษเขาบอกว่าระยะทางระยะทางนานระยะทางที่แกจะเดินไปเออดินเสีย ร, รุนกับดอกบัวมานี่มันนานได้เกินคือใกล้ได้เกินแล้พระพุทธเจ้ามาสรุปคําของท่านทั้งสองนี่มาสรุปว่า ไอราตรีของคนที่ตื่นอยู่เนี่ยมันนานหนทางที่คนเดินเมื่อยเนี่ยมันนานมันไกลต่ว่าสงสารสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดของคนผ่านเนี่ยนานแสนนานนะซึ่งก็หมายความว่าไอาการเวียนว่ายตายเกิดของคนเราเนี่ซึ่งเป็นกฎตามธรรมชาติประณันต์ จ, จะนานหรืออาจจะสั้นก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับฐานะของบุคคลถ้าหากว่าคนนั้นเป็นบัณฑิต ก็สร้างสมอบรมสิ่งที่เรียกว่าบุญวกุศลหรือบา ร, รมีเอาไว้บา ร, รมีก็คือการเก็บการสะสมความดีเอาไว้มันก็เป็นการร่นระยะเวลาให้น้อยลงคือใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็นคนผ่านกระทําแต่บาปทรวัคคุศลมั้นก็แม้แต่จะเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ได้ยากแล้วเพราะงั้นพวกนี้เลยกลายเป็นเป็นวนเวียนอยู่ในสังสารวัตรที่ถ้าหากว่าความ ไอ้ความเห็นแรงในที่ที่ท่านแก้ไว้นะฮะคือพวกนิยตามิชาทิติถ้าหาก็เป็นพวกนิยตามิชาทิติที่ปฏิเสธกรรมด้วยประการทั้งตัวปฏิเสธตัวกรรมว่าไม่มีกรรมปฏิเสธผลของกรรมว่าไม่ได้เกิดมาจากการกระทําหรือปฏิเสธหมดบาปบุญพ่อแม่ความดีความชั่วมารดาบิดาปฏิเสธหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรเป็นวัตฏขานุคือหลักต่อของวัตฏะท่านั้นเองโอกาสที่จะ ได้ผูดได้เกิดมันก็ยากแท้แล้วไม่ได้พูดถึงโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นสงสารของผลพานจึงยาวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นบัณฑิตสงสารคือการเวียนว่ายตาเกิดในสังสารวัฏมันก็สั้งครับดังนั้นการบำเป็นบุญกุศลชนิดที่เราบําเพ็ญกันที่เรียกว่าโลกียะนะประเภทที่เรียกว่าบุญอย่างที่เคยกล่าวมาให้ฟังนานแล้วบอกว่าบุญนี่เราพูดกันเฉพาะนี้แต่นั้นเองเฉพาะระดับสังสารวัฏเท่านั้นเอง เราจะไม่พูดบุญหลังจากบรรลุมรควนไปแล้วเพราะอย่างนั้นก็จะพูดเฉพาะกุศลเท่านั้นเองบุญคือสิ่งที่ช่วยตกแต่งภพชาติให้มีความประนีตขึ้นสูงขึ้นสงบขึ้นโอกาสในําความดีมากขึ้นสร้างแนวโน้มสร้างสร้างอัตยาศัยมีความชื่นชมยินดีในกองการบุญกุศลตั้งแต่เป็นเด็กๆ เ, เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นอุปนิสัยปัจจัยซึ่ง ถ้าหากว่าปัจจัยเดิมมันมีอยู่มากก็พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้ามีอยู่น้อยมันก็พร้อมที่จะเป็นต้นทุนหรือเป็นสเสบียงที่สนับสนุนให้ตัวเองเดินทางใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปนี่ก็เป็นข้อที่ทรงยกขึ้นมาเทียบเคียงว่าระหว่างราตีถ้าสมหรับคนตื่นกระสับกระสายแล้วนานแต่คนเดินทางที่เมื่อยมันก็นานไกลอะ ผลทางไกลที่จริงผลทางมันก็เท่าเดิมมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือการกําหนดหมายของเราแต่วามาสรุปแล้วว่าสงสารของคนผ่านเนี่ยนานยิ่งกว่านั้นไปซะอีกทีนี้ผลจากการที่พระพุทธเจ้าได้รับสั่งสแสดงในคราวนี้เราจะพบว่าก็ผลมาดีทั้งหมดเลยสามีกับพันยาก็ได้กลับไปอยู่ร่วมกันพระเจ้าประเสิทธิโกุศลก็กลับความประพฤติได้ บางทีมันก็ต้องกระตุกอย่างแรงคือประสบการณ์ตรงที่ตรงอุปมาเหมือนไร ว, ว่าคนบางคนเหมือนกับม้านะฮะมันเหมือนกับมาแต่พอพอรู้สัญญาณแต่นั่นเองแกไปได้แล้วรู้สัญญาณแตนั้นแกไปได้แล้วมาบางตัวนะฮะมาบางตัวต้องเห็นเงาแท้แต่ก่อนบางตัวนั้นต้องลงแท้บางตัวนั้นต้องแทงลงบนหนั ง, ทงแทงลงบนหนังเลยจึงจะทาอะไรได้คนเราจะมีลักษณะอย่างนั้นนะ จะมีลักษณะอย่างนั้นบางคนพูดกันง่ายบางคนพูดกันง่ายบางคนก็เหมือนอะไรที่โบราณมันบอกน้ํารถหัวสากคือมันไม่ซึมซาบอะไรเข้าไปเลยแต่บางคนก็เรียกว่าเหลือเข็นจริงๆพระเจ้าประเสริฐในกุศลในจุดนี้มันก็เหมือนกับลงโดยประตักเลยคือแทงเข้าไปถึงหนังเลยให้รู้สึกเจ็บเลยนางมาริกาก็ใช้แรงก็ต้องใช้ในลักษณะของประตักพระเจ้าเองก็เล่าเรื่อง จึงว่าที่จริงไอ้เรื่องมันแรงอยู่ในในในตัวของมันเองท่านจึงได้เกิดความสำนึกเพราะงั้นไอ้หลักการฝึกคนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าในบทพุทธคุณว่าอนุตรโรบริสธรรมสารถิเนี่ยเป็นสารถิที่ฝึกคนอย่างยอดเยี่ยมไม่มีคนอื่นจะยิ่งกว่านี่คือพระองค์ก็ใช้วิธีสลับกันไปบางทีก็นิ่มนวลก็เรียกอนุ ก, กะหะเทศนานิ่มนวลมากเลยปลุกปลอบให้บัรุงขวัญบังรงกำมั่ใจแต่ว่าคนบางคนไอ้เหลือแสนเนี่ยมันก็ใช้นิกหะก่อน นี่ค่คือปรบับปรับพื้นที่ซะก่อนเรียกว่าขม่มก็ตำหนิดุก็แล้วแต่นะครับกราบให้เกิดความสํานึกซะก่อนที่ทรงทรงแสดงไว้ว่าดูก่อ น, นะนอนน์เร า, า ก, กระนาบแล้วกนาบอีกใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ใครไม่มีสาระก็ออกไปก็ไม่แครใครครับนี่ก็เป็นวิธีการฝึกของพระพุทธเจ้าถือไม่ไม่ใช่ว่าจะใช้อุบายอย่างเดียวซึ่งก็เป็นภัยไม่ได้บางอย่างเราต้องปรับพื้นที่กันซะก่อนก็ใช้ อันนี้ก็ะหะนํานำด้วยก่อนสร้างความสํานึกให้เกิดมีการลงโทษมีการตําหนิมีการบางทีก็ขับเลยอย่างเช่นลูกศิษย์ภาษาริบุตรที่เคยลู้จ้าเคยลากฟังดีนะฮะลูกศิธิ์ภาษาดิบุตรเนี่ยมาอาจารย์ส่งเสียงกันลั่นนะว่าพระตั้งห้าร้อยนะไม่ไม่ไมไมใช่เบาแล้วเหมือนนกกระจาบคนระ่าวๆแล้วก็ส่งเสียงกันลั่นหลวงพ่อเจ้ารับสั่งไล่ สามพระานนท์พานนเสียงอะไรดังอย่างกระชาประมงแย่งปลากันนคำนี้ชอบชอบใชน้นะชอบใช้แล้วก็พระานนท์ก็กราบทูลว่าลูกศิษย์ภาษาทีบุตรกระพระโมกขลานะจัดเตรียมที่หลับที่นอนอะไรตัวไรกุฎารับสั่งไล่ไล่ออกออกไปก่อนพอท่านเสียใจตกใจแล้วไปนั่งเศร้าอยู่เนี่ยก็พอสํานึกแล้วก็รับสั่งให้ข้ามานี่ก็คืออะไรคือหลักข้อการกำราบเจอก่อน กำลาบจะก่อนสร้างความสำนกสกสึกให้รู้สึกสลดใจซะเองพระเจ้าประเสริฐในโกศลเองก็เหมือนกันนะฮะที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ย้อนอะไรมาหาท่านอีกนะไม่ได้ย้อนอะไรมเลยแต่เล่าเรื่องของสี่คนนี้ให้ฟังว่าเอาขนาดนี้นะขนาดนี้มันตกนรกนานขนาดเนี้ยสัตว์ชีวะศาสานีเป็นหกหมืปีนะฮะหกหมื 60, ปีมันนานกนานมันจะเล่นก็ตกตกอยู่อยู่ในนรกตั้ง6ก 0,000 ื่นปี ท่านก็มองเห็นภาพของท่านทันทีเลยว่าถ้าข้าวเดินทางนี้มันก็ต้องทุกข์ทรมานมากแล้วเกิดมันก็กลายเป็นความสํานึกที่ท่านแก้ตัวท่านเองได้โดยอาศัยเรื่องซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยแต่ก็แรงหน่อยนะคือคือไอ้ความสํานึกมันอยู่ลึกหน่อยเลยก็ต้องอาศัยปัจจัยข้าประกอบเป็นอันมากนี่ก็เป็นเป็นยันเป็นยันเยูศคือสูตรที่เกี่ยวกับการบูชายันยัน5ประการตอนต้นพอมาถึงยุคพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็ดึงกลับมาอีกดึงกลับมาเข้าสู่แนวเดิมแล้วแสดงว่าเป็นราชสังหะเป็นราชสังฆะห้าประการเป็นจั ก, กรวตริวัตสิบสประการนะฮะแล้วก็เป็นทศพิตราชธรรม10ประการซึ่งเมืองไทยเรานั้นก็เรียกว่าพระมหากษัตริย์เรานี้ถือเป็นหลักในการปฏิบัติก็สืบต่ อ, ตอมันตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมานะ พระเจ้าสดตั้งก็ถือหลักนี้แล้วก็ถือมาต่อเพราะงั้นกษัตริย์ของพุทธจึงถือหลักเหล่านี้หลักธรรมะที่ทรงแสดงไว้โดยการเอายันซึ่งเดิมดีแล้วก็กลับไมด่ดีแล้วก็พลิกกลับเอาด้านดีมาใช้อีกทีหนึ่งก็ทําให้เป็นแนวในการปฏิบัติปฏิบัติพระมหากษัตริย์ของไทยจึงอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นธรรมมิกะมหาราชเพราะว่ามีธรรมะเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินนี่ก็เป็นเรื่องของ ยันเยสุก็มาวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน